สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับสัมผัสสยองวันนี้แอบปินมีเรื่องราวที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านโดยคุณโบปัจจุบันคุณโบมีอายุ2ี่สิกว่าปีแล้วแต่เรื่องราวที่นํามาแบ่งปันนี้เป็นเรื่องราวสมัยเด็กเมื่อครั้งที่ตัวของเธอนั้นได้ไปเที่ยวเล่นยังบ้านของตัวเองที่ไม่ได้อยู่อาศัยมาแล้วหลายปีเธอยังไปบ้านหลังนั้นตามลาพังจนเชน ซึ่งไม่คิดเลยว่าวันหนึ่งจะเจอเหตุการณ์แปลกๆภายในบ้านจนทำให้ชีวิตของเธอนั้นต้องเปลี่ยนไปจนถึงปัจจุบันมึงเอาของกูไปทำไ ม, ส, มสัมผัสสยอง ย้อนกลับไปเมื่อสิบกว่าปีก่อนสมัยที่เรายังอายุ10ถึง1ิขวบเราเป็นเด็กที่อยู่ทั้งภาคเหนืออาศัยอยู่กับป้าเพราะพ่อกับแม่ไปทำงานที่ชนบุรีตั้งแต่โบยังเด็กนานๆท่นา น, นจะโทรมาหาสักทีบ้านที่โบอาศัยอยู่กับป้าแถวนั้นเขาจะเรียกว่าบ้านเหนือส่วนบ้านของพ่อกับแม่โบเองจะเป็นหมู่บ้านที่เรียกว่าบ้านใต้ ห่างกันประมาณเกือบเกือบหนึ่งกิโลเมตรซึ่งปิดร้างไว้ตั้งแต่พ่อกับแม่ไปทำงานที่ชนบุรีและมันก็ร้างมาอย่างนั้นประมาณ 7-8 ปีน่าจะได้เรื่องที่เกิดขึ้นนี้มันเกิดที่บ้านร้างของตัวเองนี่แหละด้วยความเป็นเด็กอายุสิบขวบพ่อกับแม่ไม่ได้อยู่ด้วยก็จะเกิดความคิดถึงท่านทั้งคู่โบจึงชอบปั่นจักรยาน จากบ้านป้าที่อยู่บ้านเหนือไปยังบ้านของตัวเองที่อยู่บ้านตายเพื่อไปนั่งเล่นเป็นประจำเกือบทุกอาทิตย์เลยก็ว่าได้วันหนึ่งเวลาประมาณห้าโมงเย็นกว่าๆโบก็กลับไปยังบ้านของตัวเองแล้วใช้กุญแจที่มีอยู่เปิดเข้าไปในรัวบ้านจากนั้นก็ปีนขึ้นต้นมะขามที่อยู่ใกล้กับกำแพงรัวบ้านเหมือนปกติ บ้านหลังนั้นจะเป็นบ้านปูนชั้นเดียวมีรูปร่างลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างยาวประมาณหนึ่งงานมีหน้าต่างไม้อยู่รอบบ้านแต่ถูกปิดไว้ทุกบานเนื่องจากไม่มีคนอาศัยอยู่และมีต้นมะขามต้นใหญ่หนึ่งต้นซึ่งมีความสูงมากกว่าหลังคาบ้านซสีอีกหลังจากที่เราปีนต้นมะขามเล่นเสร็จก็ไขกุญแจเข้าไปในบ้าน นั่งเล่นเดินไปเดินมาถึงแม้ว่าภายในบ้านจะมืดและวังเวงมากเราก็ไม่รู้สึกกลัวอะไรเพราะมันเป็นบ้านของเราเองแต่ก็เคยได้ยินอยู่เหมือนกันว่าถ้าบ้านไม่มีคนอยู่จะมีสิ่งอื่นมาอยู่แทนด้วยความที่เราไม่ได้ใส่ใจคำพูดนั้นสักเท่าไหร่ก็เลยไม่เก็บมาคิดอะไรมากเพราะไม่เคยเจอ เวลาผ่านไปจนถึงหโมงเราก็ยังเล่นนั่นนี่จับนู่นนี่นั่นตามระษาเด็กสายตาก็มองหาของภายในบ้านว่าจะเอาอะไรกลับไปได้บ้างของพ่อก็ดีของแม่ก็ได้เราเดินหาไปเรื่อยๆภายในบ้านหลังนั้นสักพักสายตาก็เหลือไปเห็นจานอะไรสักอย่างโผลออกมาจากบนหลังตู้เสื้อผ้า จึงไปหยิบเก้าอี้มาเพื่อจะเอาไปรองเท้าเหยียบขึ้นไปดูที่ด้านบนนั้นเพราะอยากรู้ว่าในจานนั้นมีอะไรพอเราก้าวขาเหยียบขึ้นไปบนเก้าอี้ก็มีความรู้สึกว่าเก้าอี้สั่นมากเหมือนกับมีคนจับสัน่นก็เลยรีบลงมาแล้วตั้งท่าใหม่เหยียบขึ้นไปบนเก้าอี้เป็นครั้งที่สองคราวนี้เราขึ้นไปยืนได้ จากนั้นก็เอื้อมมือไปที่จานใบนั้นแต่ก็เอื้อมไปไม่ถึงทงั้งทั้งที่มันก็ไม่ได้ไกลจากสายตาที่เห็นเลยเราพยายามเอื้อมมือไปหยิบอยู่พักหนึ่งจนเหงื่อเริ่มหมอกก็ยังไม่ได้จึงคิดว่าถ้าใช้เก้าอี้คงจะเอื้อมไม่ถึงแน่ๆก็เลยลงมาแล้วมองไปที่โต๊ะเครื่องแปลงที่วางอยู่ติดกับตู้เสื้อผ้า เราเหยียบขึ้นไปบนโต๊ะเครื่องแป้งย่างทุลักทุเลในที่สุดก็หยิบจานใบนั้นมาได้ตอนนั้นเรายังไม่ทันได้ดูในจานว่ามันมีอะไรมัวแต่คิดบนกับตัวเองอยู่ว่าน่าจะขึ้นโต๊ะเครื่องแป้งตั้งนานแล้วยืนเขย่งตัวบนเกีวีอยู่ตั้งนานจนเหงื่อเปียกชุ่มไปหมดพอเราหยิบจานมาได้ก็านามาดู ทั้งๆ ท, ที่ยืนอยู่บนโต๊ะเครื่องแป้งนั่นละแล้วเราก็เห็นว่าภายในจานมีพระอยู่มากมายหลายองค์แล้วก็มีหุ่นปันดูรูปร่างลักษณะคล้ายกับกุมารตัวเล็กๆซึ่งมีขนาดเท่ากับนิว้วโป่งแต่ตอนนั้นเราก็ไม่ได้กลัวอะไรอย่างที่บอกไปเพราะมันเป็นบ้านของเราเองเรายังคงมองหาสิ่งที่อยู่ในจานนั้นต่อไป เราก็ไปเจอพระองค์หนึ่งมีขนาดเท่านิ้วโปง้งแต่จำไม่ได้ว่าเป็นพระอะไรเราคิดว่าจะนำกลับบ้านไปด้วยแล้วสักผักก็มีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นหลังจากที่หยิบพระในจานออกมาสายตาเราก็เหลือไปเห็นที่กระจกของโต๊ะเครื่องแปง้งมันทำให้เราตกใจมากถึงขั้นขาแข็งเลยกวาได เพราะในกระจกบานนั้นเราเห็นเงาของผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ห่างๆด้านหลังทางขวาของเราตอนนั้นเราขยับตัวไม่ได้เลยเหมือนกับโดนสตารฟไว้ร่างกายมันแข็งไปหมดสักพักเงานั้นก็ค่อยๆลอยใกล้เข้ามาเรื่อยๆยิ่งเข้ามาใกล้ร่างกายทางด้านขวาของเราก็รู้สึกเย็นเย็นมากขึ้น มันเย็นยะเยือกอยู่ซีกเดียวส่วนร่างกายทางด้านซ้ายนี่เหงื่อแตกพักเลยเขาเข้ามาใกล้เรามากจนหน้าแทบจะชิดติดกันอยู่แล้วเขาหยุดอยู่ข้างๆเราตอนนั้นเรากลัวมากยากจะหนีแต่ก็หนีไม่ได้สักพักเขาก็หันมากระซิบที่ข้างหูเรามันเป็นเสียงผู้ชายแก่ๆพูดว่ามึง เอาของกูไปทำไมเมื่อได้ยินดังนั้นเราก็ขนลุกสันหลังเย็นว่าไปหมดพร้อมๆกับเงานั้นก็ค่อยๆหายไปคล้ายกับควันบุหรี่เราหันกลับไปดูมองซ้ายมองขวาก็ไม่มีใครเราขนลุกตั้งไปหมดทั้งตัวน้ำตาไหลออกมาเป็นทางโดยไม่รู้ตัว จากขาที่แข็งจนขยับไม่ได้ก็เริ่มขยับได้แล้วจึงรีบวิ่งออกไปนอกบ้านยืนตั้งหลักอยู่ที่หน้าบ้านแล้วมองกลับเข้าไปในตัวบ้านพูดกับตัวเองในใจว่านี่มันบ้านเราเองนะทำไมถึงมีอะไรแบบนี้พอเราพูดกับตัวเองเสร็จก็ได้ยินเสียงผู้ชายแก่ๆหัวเราะฮอฮเสียงนั้น เหมือนดังออกมาจากลำคอแต่คราวนี้เราไม่เห็นเงาอาจเป็นเพราะว่าเราอยู่นอกบ้านด้วยความกลัวจึงนำพระที่ถืออยู่ไปวางไว้ตรงประตูด้านในบ้านแล้วใช้เท้ายันปิดประตูและวิ่งออกมาเราจำได้ว่าตอนนั้นเราตัวสั่นมาน้ำตาก็ไหลไม่ยอมหยุดคาพูดของชายแก่นั้นมันยังก้องอยู่ในหัว เรารีบวิ่งออกจากบ้านไปหยิบรถจักรยานแล้วปั่นกลับบ้านป่าอย่างรวดเร็วเหมือนกับขี่จรวดเลยหลังจากที่เราไปถึงบ้านปา่าป้าก็เห็นเราร้องไห้เดินเข้ามาพร้อมกับตัวสัน่นเหมือนกลัวอะไรสักอย่างป้าก็ถามเราเหมือนกันว่าไปทำอะไรมาแต่ตอนนั้นเราไม่ตอบเราขึ้นไปบนบ้านนอนสัน่น คลุมโปองอยู่อย่างนั้นแต่ป้าก็ตามขึ้นมาอีกแล้วถามเราอย่างเป็นกังวลและเป็นห่วงว่าเราเป็นอะไรเราจึงบอกป้าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับร้องไห้ไปด้วยป้าหนูโดนผีหลอกป้าจึงถามว่าเจอที่ไหนเราบอกไปว่าเจอที่บ้านตายพระเริ่มมีสติเราก็เริ่มเล่าเรื่องให้ป้าฟัง แต่ป้าดูเหมือนจะไม่เชื่อสักเท่าไหร่บอกว่าเราคิดไปเองจนบ่ายของอีกวันหนึ่งเมื่อป้าเห็นเรายังรู้สึกกลัวอยู่เพื่อความสบายใจป้าจึงไปหาคนส่งแล้วพาเราไปด้วยพอไปถึงเราก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้คนทรงฟังเหมือนกับที่เราเล่าให้ป้าฟังแล้วคนทรงก็บอกว่า <c oughs> มันเจอจริงๆนั่นแหละเขาแค่มาเตือนเงาที่มันเห็นน่ะเขาเป็นเจ้าที่เขาอยู่ที่นั่นมานานมากแล้วเป็นคนเชื้อสายหมอนอยู่ที่นั่นตายที่นั่นตั้งแต่ยังไม่ได้สร้างบ้านหลังนั้นซะด้วยซ้ำตอนที่พ่อแม่ของมันจะสร้างบ้านก็ได้ทำพิธีขอขามาบอกกล่าวเขาก็อนุญาตให้สร้างให้อยู่ได้ แต่พอตอนจะไปไม่อยู่ก็ไม่บอกกล่าวเขาเขาจึงมายึดที่ตรงนั้นคืนแล้วของที่อยู่ในบ้านทั้งหมดก็กลายเป็นของเขาห้ามใครหยิบเอาไปเป็นอ น, นขาดพอได้ยินดังนั้นเราก็ไม่กล้าไปที่บ้านหลังนั้นอีกเลยเพราะกลัวผีเจ้าที่ที่อยู่ในบ้านหลังนั้นปัจจุบันนี้บ้านหลังนั้นแม่ของเราก็ได้ขายไปแล้ว แต่เราก็ยังสงสัยอยู่ว่าทําไมทุกวันนี้เรายังฝันถึงบ้านนั้นอยู่เลยฝันถึงบ่อยมากจนดูผิดปกติแล้วหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นก็ทําให้เรากลายเป็นคนที่มักจะพบเจอกับสิ่งที่มองไม่เห็นมาโดยตลอดจนถึงทุกวันนี้สุดท้ายนี้หากใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดมินในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับและฝากติดตามช่องของเราด้วยโดยกดปุ่มติดตามหรือ Subscribe ที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนรับชมคลิปใหม่ๆจากเราก่อนใครรับรองว่าจะมีเรื่องหลอนๆมาให้ทุกคนได้รับฟังและตื่นเต้นไปด้วยกันอีกอย่างแน่นอนและหากท่านใด ที่มีประสบการณ์เรื่องเล่าสยองขวัญอยากจะแบ่งปันให้สมาชิกท่านอื่นได้รับฟังก็สามารถฝากเรื่องเล่าไว้ได้ที่อ e ีเมลสัมผัสสยอง at gmail com สามารถดูได้ที่รายละเอียดใต้คลิปได้เลยนะครับหรือส่งเข้ามาทางอินบ็อกซ์แฟนเพจสัมผัสสยองแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ พัดสิย